วันนี้เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นช่วงเวลาของกฐินการคือระยะเวลา1เดือนตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ที่ผ่านมาคือวันออกพรรษา จนถึงวันขึ้น15้าค่ำเดือน12เป็นวันลอยกระทงเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานพุทธานุญาตให้ศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ถวายผ้ากระถินให้กับพ้าภิกษุ ที่อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนเพื่อเป็นการเปลี่ยนผ้าเก่าเพราะผ้าเก่าเมื่อใช้ไปประมาณทักปีหนึ่งก็จะมีการชำรุดมีการขาดก็สมควรต่อการที่จะเปลี่ยนผ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงอนุญาตให้ศรัท ธ, ธาญาติโยมถวายผ้า แต่ต้องเป็นผ้าขาวผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บคือไม่ใช่เป็นผ้าสำเร็จรูปอย่างที่ญาติโยมนิยมกันคือไปซื้อผ้าสำเร็จรูปที่ขายตามร้านผ้ากฐถินนี้เป็นผ้าพิเศษให้ถวายเป็นผ้าขาวยังไม่ได้ตัดไม่ได้เย็บยังไม่ได้ย้อมเพื่อให้พระที่รับผ้านี้นำเอาไปตัดเย็บซักย้อม ด้วยตนเองพร้อมกับรับความช่วยเหลือจากพระภิกษุรูปอื่นที่อยู่ร่วมกันพระกะถินนี้พระองค์ทรงบังคับให้ตัดเย็บซักย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวอันนี้เพื่อเป็นการบังคับให้พระภิกษุที่อยู่ในวัดนี้มาร่วมสามัคคีกัน มาร่วมกันช่วยทำภารกิจอันนี้ให้สำเร็จรู้เรื่องไปทุกคนที่มีความสามารถในการตัดเย็บซักย้อมก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มาช่วยกันตัดเย็บหลังจากที่พระได้รับผ้าจากสักายาดโยที่นำมาถวายแล้วก็ตัดเย็บซักย้อมตากให้แห้ง ภายในวันนั้นซึ่งมักจะใช้เวลาพอสมควรเพราะเวลารับกระถินมักจะเป็นรับช่วงบ่ายบ่ายโมงแล้วหลังจากนั้นก็มีเวลาพอรับผ้ามาแล้วประมาณบ่ายโมงกว่าสองโมงก็ออกไปทำการตัดเยกกันซักย้อมกันแล้วก็ต้องมาเป่ามาพัดให้มันแห้งกว่าจะเสร็จบางทีก็สองสามทุ่มด้วยกัน หลังจากที่ตัดเย็บเสร็จแล้วก็จะไปเอาผ้าผืนนั้นไปประชุมกันในโบสถ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ให้พระภิกษุที่อยู่ในวัดที่ได้ร่วมกันตัดเย็บผ้ากระถิ่นนี้ให้ได้อนุโมทนากันให้มีความแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับผ้าผืนนั้น ซึ่งโดยธรรมเนียมก็มักจะให้พระหัวหน้าเป็นผู้รับเจ้าอาวาสหรือพระผู้ที่พระผู้ใหญ่ที่มีพรรษามากที่สุดที่มีอาวุโสมากที่สุดเพือเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญน่นเมื่อได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็จะอนุญาตให้เก็บผ้าที่เหลืออยู่นี้เอาเก็บไว้ต่อไปได้อีกสามเดือน เพื่อตัดเย็บผ้าของพระรูปอื่นต่อไปได้แต่การถวายนี้ถวายได้เพียงในระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้เท่านั้นคือคือช่วงนี้จนถึงวันวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองวันลอยกระทงจะเป็นวันสุดท้ายของการถวายผ้ากระถิงอันนี้เป็น เรื่องที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เพราะไม่ต้องการให้เสียเวลามากกับการาหาผ้ามานุ่งมาห่มระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ก็พอเพียงเพราะเป้าหมายของการบรวชของพระนี้ไม่ได้มาหาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวิตของตนเองแต่ให้มาหาธรรมเพื่อมา ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปถ้าไม่มีการกำ <c oughs> หนดขอบเขตเวลากิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจก็มักจะเข้ามาครอบงำแล้วดึงให้ใจนี้หลงไปกับการหาปัจจัยสี่มากเกินความจำเป็นทำให้เสียเวลาต่อการปฏิบัติธรรม และอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าจึงสอนพระผู้มาบวชทุกรูปให้มีความมากน้อยสันโดษในปัจจัยสี่คือในอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มในยารักษาโรคในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุ ลงตัดสิรูเป็นพระพุทธเจ้าพระสมัยนั้นจะนิยมอยู่แบบสันโดษคืออยู่แบบตามมีตามเกิดไม่ไปรบกวนใครไม่ไปขออะไรจากใครไม่ต้องการให้คนอื่นเขาต้องมาเดือดร้อนกับตนก็ อ, อยู่แบบสันโดษคืออาหารก็ให้เดินบินทบาทแต่ไม่ให้ขอเหมือนขอทาน ไม่เพียงแต่ให้ถือบาทเข้าไปในบ้านในหมู่บ้านแล้วใครมีศรัทธามีกําลังที่อยากจะทําบุญก็ปล่อยเขาทําไปแต่ไม่ไปบังคับเขาไม่ไปขอเขาการขอนี่ก็เป็นเหมือนการบังคับนพอขอแล้วถ้าเขาไม่ให้คนที่ไม่ให้ก็จะรู้สึกไม่สบายใจอาจจะคิดว่าตนเองใจบากรือเปล่าก็เลยไม่ให้ขอ การบินธบานนี้ไม่เป็นการขอทานท่านเรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ <c oughs> มีกำลังได้ทำบุญได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลแก่ตนเองแต่ถ้าไม่มีกำลังก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรจะไม่รู้สึก <c oughs> เดือดร้อนหรือกังวลว่าไม่ได้ใส่บาท นะนี่คือหลักของนักบวชสมัยพระพุทธเจ้าให้มีความมักน้อยสันโดษในปัจจัยสี่ไม่ให้ไปรบกวนชาวบ้านไม่ให้ไปขออาหารก็ให้บิณฑบาตส่วนผ้า น, นุ่งห่มคือจีวรนะก็ให้ไปเก็บผ้าห่อศพที่ทิ้งไว้ในป่าชานะสมัยก่อนนั้นคนตายแล้วเขาไม่มีการเผาไม่มีการฝัง เขาทำแบบง่ายๆหาผ้ามาหอ่อแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชาปล่อยให้ศพนั้นเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติรีไซเคิลไม่สูญเสียอะไรเลยทุกอย่างกลับคืนสู่ธรรมชาติน้ําก็กลับคืนสู่น้ําดินก็กลับคืนสู่ดินลมก็กลับคืนสู่ลมไฟก็กลับคืนสู่ไฟไปไม่ทําลายธรรมชาติน แล้วพอศพนั้นเน่าเปื่อยหมดแล้วผ้าที่ห่อไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรพวกนักบวชเขาก็จะไปเก็บผ้าเหล่านี้มาทำผ้าหมจีวรเอามาตัดเอามาเย็บเอามาซักเอามาย้อมย้อมด้วยสีแก่นไม้ที่เรียกว่าผ้าสีกาสาวพัด ผ้าสีแก่นไม้นี่จะออกเป็นแบบสีเหลือ ง, อ, งอ่อนๆ <c oughs> นี่คือที่มาของคำว่าผ้ากาสาวพัท <c oughs> คือผ้าที่ย้อมด้วยกแก่นไม้น้ำแก่นไม้เอาแก่นไม้มาต้มแล้วก็ใช้น้ำที่ต้มนี้มาซักมาย้อมผ้าที่ <c oughs> ที่ใช้สมัยก่อนท่านจะซักผ้าแบบนี้จะไม่ใช้ไม่มีแฟบไม่มีผงซักฟอก <c oughs> จะซักด้วยการต้มน้ำแก่นไม้เพื่อเป็นการซักผ้าแล้วก็ย้อมผ้าไปในตัวเพื่อจะได้รักษาสีของผ้าให้เป็นผ้าสีกาสาวพั <c oughs> ดนี่คือความมากน้อยขันโดดในเรื่องของเครื่องนุ่งหม่มคือที่ <c oughs> คือผ้าจีวรให้ไปเก็บผ้าในป่าชา้า ความจริงผ้าในป่าช้านี้เรียกว่าผ้าบางสกุลสมัยนี้เราแปลผ้าบางสกุลว่าเป็นผ้าป่าไปเราตัดคำว่าช้าออกไปเพราะสมัยนี้ไม่มีป่าช้าเสียแล้วก็เลยเรียกว่าผ้าป่าแต่ความจริงที่มาของคำว่าผ้าป่าก็คือผ้าที่เก็บมาจากป่าช้านี่เองเป็นผ้าห่อศพส่วน ที่อยู่อาศัยก็ทรงสอนให้ไปอยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าหากิ่งมุงกิ่งไม้หาใบมงุงใบไม้มามุงมาบั ง, บงพอหลบแดดหลบฝนได้ก็เป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วยารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ให้ดื่มน้ำปัสสาวะดองเรียกว่ายาดองน้ามูดยาดองน้ำมูดนี้เวลาปวดท้องเจ็บท้องปวดหัวปวด อะไรก็สมัยนั้นไม่มีโรงพยาบาลไม่มีแพทย์ปัจจุบันเขาก็มักจะใช้การดื่มยาดองกันพระก็มีน้ําของตน้นน้าปัสสาวะ mm. ก็ไปเก็บพวกผลไม้คือพวกสมอ mm. <c oughs> พวกมะขามป้อม mm. ที่หล่นตามป่านี้ mm. เก็บมาแล้วก็เอามาดองน้ําปัสสวะของตน mm. พอเวลาไม่สบายก็ดื่มน้ําปัสสาวะ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้สมัยนั้นเขารักษากันแค่นี้นะเพราะไม่มียาเหมือนสมัยนี้ไม่มีหมอไม่มีการผ่าตัดไม่มีการปั๊มหัวใจไม่มีการสอดสายยาง <c oughs> อยู่กันท ร, รมานเปล่าๆสมัยก่อนเขาอยู่กันแบบสบายถึงเวลาก็ตายแบบสบายไม่ต้องท ร, รมานกัน <c oughs> ถ้ารักษาไม่หายก็สองสามวัน ทรมานแค่สองสามวันก็หมดลมไปเห็น <c oughs> นี่คือการกินการอยู่ของพระภิกษุในสมัยพระพุทธเจ้า <c oughs> ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็มีผู้ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธามีความปรารถนาที่อยากจะบวชกับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็ได้บรรลุธรรมกันได้บรบรลุเป็นพระอารหันต์กันเป็นจำนวนมากในยุคแรกๆนี้พระพุทธเจ้าสามารถสอนให้นักบวชที่เคยเป็นนักบวชอยู่แล้วเป็นพระอารหันต์ได้อย่างรวดเร็วพอมีเห็นคนอื่นเห็นมีการบรรลุเป็นพระอารหันต์กันได้อย่างรวดเร็วง่ายดายก็เกิดศรัทธทาขึ้นมา ก็อยากจะบวชอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็เลยมาขอบวชกันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนทําให้ผ้าที่มีอยู่ในภาช้าขาดตลาดไม่พอคนตายน้อยกว่าคนบวชก็เลยไม่สามารถมีผ้าสํารองไว้เปลี่ยนได้ก็มีได้กันอย่างมากก็คนละผืนเท่านั้นเอง ถ้าไปเจอช่วงไหนฝนตกผ้าเปียกก็ต้องนุ่มผ้าเปียกๆไปมีผ้าอยู่กลุ่มหนึ่งเดินทางมาเพื่อมากราบพระพุทธเจ้าระหว่างทางไปเจอฝนเข้าก็เลยเปียกฝนผ้าก็เปียกบอนพอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เข้าเฝ้าแบบนั้นเพราะไม่มีผ้าเปียกพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นความลําบากของพระสงฆ์ของผ้าภิกษุ จึงต้องบอกชาวบ้านเหมือนกับว่าเป็นการขอให้ชาวบ้านได้ช่วยผ้าพิกษุโดยการถวายผ้ากระถินกันนี่คือที่มาของผ้ากรถินก่อนหน้านั้นไม่มีการถวายผ้ากรถินให้พระไปหาผ้าตามป่าช้ากันตามมีตามเกิดซึ่งยุคแรกๆก็พอหากันได้พอเพียงกันเพราะว่ามี มีคนบวชไม่มากต่อมามีคนมีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นได้ยินข่าวการได้บรรลุเป็นพระอารหันต์กันได้ดุดพ้นจากความทุกข์กันจึงทําให้เกิดผู้มีจิตศรัทธาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นขอออกบวชกันมากขึ้นเลยทําให้ผ้าป่านี้ไม่พอเพียงพระพุทธเจ้าเลยต้องบอกญาติโยมหรือขอญาติโยมว่า พระภิกษุตอนนี้ท่านเดือดร้อนเรื่องผ้ามากผ้าท่านไม่พอใช้มีผืนเดียวเวลาฝนตกบินนาบากรมาฝนตกก็ต้องนั่งห่ผมผ้าเปียกนั่นฉันอาหารก็เลยบอกให้ญาติโยมถวายผ้าให้กับพระภิกษุโดยกำหนดเงื่อนไขคือควรจะถวายให้กับพระที่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าแต่ปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสั่งให้อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนก็ให้ถวายกับพระที่อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนพระที่ไม่อยู่จำพรรษาก็อย่าไปถวายเพราะเป็นพระดื้อเพราะไม่เชื่อฟังมีกำหนดเยื่อนไขว่าต้องถวายให้พระกับพระที่อยู่จำพรรษาและในวันนั้นก็ต้องมีพระอยู่จำพรรษาห้ารูปขึ้นไป ถึงจะถือว่าเป็นสง์ได้เป็นสง์ที่จะรับเพราะการถวายผ้ากรถิ่นนี้เป็นการถวายเป็นแบบสังฆทานไม่ได้ถวายแบบบุคคลิกทานการถวายทานให้กับพระนี้มีสองแบบแบบสังฆทานกับแบบบุคคลิกทานบุคลิกทานก็คือถวายเฉพาะเจาะจองรูปนั้นรูปนี้ เญาติโยมไปหาภารูปนั้นนำข้าวของไปถวายภารูปนั้นโดยตรงเรียกว่าเป็นการถวายจำพเพาะจาะจงบุคคลเรียกว่าบุคคลิคทานส่วนการถวายสังฆทานนี้ต้องถวายต่อหน้าองคสงต้องมีภาพสงอย่างน้อยสี่รูปขึ้นไปถึงจะเรียกว่ามีครบองคสงแล้วก็ไม่ได้จอดจองว่าจะถวายให้กับพระรูปใดรูปหนึ่งในองสงนั้น มอบถวายให้กับสงฆ์ให้ให้สงฆ์เป็นผู้พิจารณาว่าควรจะจัดการกับของที่ได้รับมาอย่างไรให้สงฆ์เป็นผู้พิจารณาส่วนใหญ่ท่านก็จะแบ่งกันตามความขาดแคลนใครขาดแคลนมากก็ได้มากใครขาดแคลนน้อยก็ได้น้อยเป้าหมายก็คือให้มีพอเพียงต่อการดำรงชีพ <c oughs> นี่คือสังฆทาน ถวายให้กับสงฆ์ไม่ได้ถวายให้กับบุคคลดังนั้นเราจรึงนิยมถวายสังฆทานกันเพราะว่าจะได้ให้มีพระที่อยู่ในวัดทุกรูปมีสิทธิ์ที่จะใช้ของที่เราถวายให้กับท่านได้เช่นกุฏิสาลาโบสถเจดีนี้เราก็ถวายเป็นสังฆทานกันไม่ได้ถวายให้กับพระรูปนั้นรูปนี้เพราะถวายให้กับพระรูปนั้นรูปนี้เวลาท่านตายถ้าท่านเขียนพิเนธ พี่นายกรร ม, มอบให้กับคนนั้นคนนี้ <c oughs> ท่านก็จะทาได้แต่ถ้าเป็นของสงแล้วมอบให้กับใครไม่ได้เป็นของสงไปตลอดเป็นของศาสนาพุทธนี่นี่คือที่มาของการถวายสังฆทานสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จกลับไปเยี่ยมพระราชบิดาเยี่ยมพระราชญาติหลังจากที่ได้ตัดสรลนั้น พระองค์ก็ได้ไปพบกับผ้ามารดาเลี้ยงที่ได้อุตส่าห์เตรียมตัดจีวรเพื่อจะถวายให้กับพระพุทธเจ้าโดยตรงนางนําเอาผ้าจีวรแล้ว ก, ก, กากขอถวายผ้านี้ให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธไปทรงบอกว่าให้ถวายให้ไปถวายให้กับสงดีกว่าเพราะสงนี้สําคัญกว่าบุคคล บุคค น, นี้อยู่ไปไม่นานก็ต้องเสียชีวิตก็ต้องตายไปแต่สงฆ์นี้จะอยู่ไปได้ยาวนานเพราะจะมีผู้มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติมาเป็นพระภิกษุษสงฆ์กันอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าพระนางก็พยายามที่จะถวายให้กับพระพุทธเจ้าอีกสองครั้งด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ท่งปฏิเสธไป <c oughs> ครั้งที่สามและทรงตรัสบอกว่าให้ถวายกับสงฆ์ดีกว่า เพราะจะทำให้ศาสนานี้อยู่ได้ถึงห้าพันปีด้วยกันอย่างนี้นที่เกิดที่มาของการถวายสังฆทานคือไม่ได้ถวายให้กับพระรูปใดรูปหนึ่งเป็นเจ้าของเพราะถ้าหลังจากพระนั้นตายไปเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องสมบัติแต่ถ้าถวายเป็นของสงฆ์แล้วก็ไม่มีปัญหาสังเกตดูพระที่ตายกันส่วนใหญ่นี้จะไม่มีปัญหาเหมือนกับญาติโยมที่ตายกัน ญาติโยมที่ตายกันเดียวแล้วเกิดศึกสงครามแย่งมรดกกันนแต่ทางของพระนี้รู้ว่าเป็นของของไข่ไม่ได้เป็นของพระเป็นของสงฆ์เช่นกุฏินี้ถ้าเราตายไปพระรูปอื่นก็เข้ามาอยู่ได้ไม่มีการที่จะต้องมาแก่งแย่งกันไม่ต้องมาตกเถียงกันขึ้นลงขึ้นศาลกัน <c oughs> เป็นของพระทุกรูปนกพระรูปใดขาดที่อยู่อาศัย ที่ไหนว่างก็เข้าไปอยู่ได้นี่คือการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้อยู่ไปได้ยาวนานถึงห้าพันปีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกับพระมารดาลเรียนว่าให้ถวายเป็นสังฆทานเถิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้พิจารณาก่อนอยู่ดีเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้อาวุโสที่สุด พระที่น้อยกว่าก็จะไม่ข้ามหน้าข้ามตาข้ามศรีรษะของพระผู้ใหญ่มีอะไรก็ต้องยกให้ผู้ใหญ่เป็นผู้พิจารณาก่อนพระผู้ใหญ่ที่มีใจที่เป็นธรรมก็จะไม่โลภไม่ไม่หวงก็จะพิจารณาดูว่าใครสมควรก็ใครขาดแคลนใครเดือดร้อนก็จะพิจารณาให้กับบุคคล น, นั้นไปนี่คือการอยู่ของพระภิกษุการอยู่ร่วมกันนี้ อยู่ด้วยความเมตตาอยู่ด้วยความกรุณาไม่ได้อยู่ด้วยการแก่งแย่งชิงดีกันว่าฉันต้องการได้นั่นได้นี่เป็นของฉันเป็นของฉันเธอไม่มีเรื่องช่วยไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่จะดูกันว่าใครขาดแคลนอะไรก็จะให้ผู้นั้นไปจะทำให้สงอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะทำให้สงนี้ไม่ขาดแคลนกัน จิงทับจะทำให้ผู้ที่มาบวชนี้ไม่มีความท้อแท้ในการที่จะบวชถ้ามาอยู่แล้วมาอยู่แบบอ ด, อดอยา ก, ยากเพราะว่าพระผู้ใหญ่เอาปัจจัยสี่เก็บไว้ใช้กับตนเองทั้งหมดกับพระผู้น้อยไม่มีอะไรให้เลยเดี๋ยวก็ไม่มีกำลังใจที่จะอยู่ศึกษาปฏิบัติาศาสนาก็จะล่มจมได้แต่ถ้ามีการ ถวายให้เป็นทรัพย์ของสังฆทานของสงฆ์แล้วทีนี้ก็ต้องแบ่งกัน <c oughs> จะเก็บจะมีสองกุติสามกุตินี้ไม่ได้ต้องให้ผู้ที่เขาไม่มีกุติที่อยู่อาศัยให้เข้าไปอยู่ได้ <c oughs> จะได้มีพระมาบวชกันอยู่เรื่อยๆมาศึกษามาปฏิบัติธรรม <c oughs> แล้วจะได้บรรลุธรรม พระพุทธเจ้าึ่งทำนายว่าถ้ามีการถวายสังฆทานอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยเช่นกระถิ่นนี่ก็ถวายเป็นสังฆทานให้พระผู้ใหญ่ผู้รับผ้านั้นไปตัดเย็บซักย้อมเสร็จแล้วก็มาพิจารณาดูว่าควรจะมอบให้กับใครดีใครขาดแคง <c oughs> แต่ยุคนี้เป็นยุคที่เรารล่ำรวยกันญาติโยมมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากแล้วก็นิยมถวายผ้ากันมาก ถวายกันแทบทุกวันเล ย, เ, ออยเรื่องการขาดแคลนผ้านี้เลยไม่เป็นเรื่องสำคัญไปออนี่คือเรื่องของผ้ากระนออให้เดิมทีมีความเดือดร้อนขาดแคลนผ้าพราะองค์เลยต้องมีการกำหนดขั้นตอนเงื่อนไ ข, ขของการถวายผ้า จนะให้ถวายผ้ากับพระที่อยู่จำพรรษาครบสามเดือนแล้ววัดที่จะถวายนี่ก็ต้องเป็นวัดที่มีผ้าห้ารูปขึ้นไปอยู่จำพรรษาแล้วก็ถวายได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งวัดไม่ต้องการให้ได้มากเกินไปให้พอได้ผ้ามาเปลี่ยนก็พอเอาผ้าใหม่มาเปลี่ยนเป็นผ้าเก่าจะได้ไม่เสียเวลามาลักกรถินกันทั้งปีถ้าไม่มีกําหนดเดี๋ยวญาติโยมขอจองเดือนหน้า ขอจองเดือนต่อไปก็ต้องจะมาคอยรับผ้ากระถินกันอยู่ยนี่มาเป้าหมายก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนผ้าเก่าท่านเองเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับเรื่องการห่มผ้าผ้าที่ขาดหรือผ้าที่ไม่พอเพียงเดย ก, กําหนดให้ถวายได้เพียงหนึ่งเดือนเจากนั้นเราต้องถวายเป็นสังฆทานอย่างที่พูด ต้องถวายให้กับสมไม่ใช่ถวายเจาะจมกับเจ้าอาวาสหรือพระผู้ใหญ่รูปใดรูปหนึ่งให้พระทุกรูปที่อยู่ในอาวาสนี้ลงมาร่วมกันรับผ้ากระถินนี้แล้วก็มีการอุปโลกมีการพิจารณาเสนอว่าควรจะมอบให้กับพระรูปใดในเบื้องต้นก็พิจารณามอบให้กับพระผู้ใหญ่พระที่อาวุโสส่วนหลังจากที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าผ้าอุโสมีความปรารถนาเห็นว่าผ้ารูปใดรูปหนึ่งขาดแคลนก็สามารถที่จะมอบผ้านั้นให้กับผ้ารูปนั้นไปได้เพื่อความอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขของสงฆ์นี้เองเพื่อที่จะได้รักษาศาสนาให้อยู่ไปได้เป็นเวลาอันยาวนานคือห้าพันปีนี่คือที่มาของเรื่องของผ้ากระถิ่น แต่ยุคปัจจุบันนี้เรามักจะเห็นว่านอกจากภาพแล้วเรามักอยากจะถวายของอย่างอื่นด้วยเราเรียกว่าบริวารกระถินเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆรวมทั้งปัจจัยเงินทองเพราะสมัยนี้เราไม่ได้อยู่เหมือนสมัยพุทธกาลคืออยู่ตามป่าตามเขาอยู่กับธรรมชาติไม่ต้องสร้างกุฏิไม่ต้องสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์่สมัยนี้ เราอยู่แบบเป็นวัดเป็นวาเป็นอารามก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างถาวรและวัตถุต่างๆสร้างโบสถ์เพื่อทำ พ, พิธีกรรมต่างๆสร้างเจดีเพื่อเป็นอนุสรนน้ น, นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> สร้างกุฏิที่อยู่อาศัยของพระ <c oughs> สร้างศาลาเพื่อศึกษาธรรมอะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆก็เลยมี ความจำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยเงินทองจึงมีการเรียรายกันในการถวายผ้ากถิน<ม>ซึ่งบางทีบางท่านก็อาจจะม ง, งว่าให้ผ้ากถินทำไมต้องเอาเงินด้วย<ม>อันนี้เป็นศรัทธาเรื่องของศรัทธาของผู้ถวาย<ม>ผู้ถวายนอกจากถวายผ้าแล้วก็อยากจะถวายปัจจัยเงินทองและเครื่องใช้จำเป็นเพื่อที่จะได้ให้วัดนี้ ทำภารกิจของวัดได้สมบูรณ์ถ้ากุฏิรั่วก็ต้องซ่อมกันถ้าโบสถ์เจดีสาราเสื่อมโทรมก็ต้องมาปฏิสังข์ขออกันเพราะเราถือว่าเป็นที่ตั้งของจิตใจของพวกเราถ้าเราเห็นโบสถ์เห็นเจดีทรุดทรมเวลาเราเห็นเราก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจกันแต่ถ้าเราเห็นโบสถ์เจดีสวยงาม เราก็จะมีความสุขใจจึงเป็นเรื่องของการมีการถวายเงินทองกันตามมาเขามีการเลื่ยไรยมีการแจกซองแล้วก็แล้วแต่ศรัทธาของผู้ที่จะถวายว่ามีกำลังมากน้อยเท่าไหร่อยากจะทำบุญมากน้อยเท่าไหร่ก็ทำไปไม่มีการบังทับไม่มีการกำหนดในซองว่าซองนี้หนึ่งพันซองนี้ห้าร้อย สองนี้หมื่นหนึ่งไม่มีแล้วแต่ผู้ที่จะทำบุญหรือจะไม่ใส่เงินทองไปเลยก็ได้ถ้าไม่มีกำลังถ้าเขาแจกซองมารับไว้ก็ได้แล้วไม่ได้ส่งคืนเพราะไม่มีเงินจะใส่ก็ไม่ต้องมารู้สึกเสียใจอะไรเพราะเขาไม่ได้บังคับเขาเพียงแต่อำนวยความสะดวกคือบางทีจะหาซองลำบากเขาก็เลยใส่พิมซองมาให้เพื่อเวลาอยากจะทาบุญก็จะได้ใส่ไป แล้วก็มอบให้กับผู้ที่เขาเป็นเจ้าภาพไปเน้น <c oughs> <c oughs> ขอให้เราเข้าใจว่างานกระถินนี้อยู่ที่เรื่องของผ้าเป็นหลัก <c oughs> แต่เนื่องจากสมัยนี้เรามีผ้าเหลือเฟือพอเพียงแต่เราขาดแคลนทางด้านอื่นเพราะเราอยู่ในยุคปัจจุบันสมัยปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายที่เราเรียกว่านี่สงค่าไฟค่าน้าําค่าคนงาน เช่นวันนี้ต้องจ้างคนงานมาดูแลความสะอาดตัดต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้ดูแลอาคารต่างๆที่มีศรัทธาญาติโยมจะเข้ามาชมมากับมาไหวมาสักการะก็ต้องมีคนคอยเฝ้าดูวัดก็เลยต้องจ้างคนเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะมา <c oughs> มาดูแลถาวลวัตถุต่างๆ มาเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ศรัทธาผู้ที่ต้องการที่จะมากราบสักการะที่วัดจะได้สะดวกสบายก็เลยมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆขึ้นมามีนี่สงขึ้นามานั้นนำธรรมเนียมของการถวายผ้ากรถินเลยกลายเป็นการถวายบริวารกันไปนการถวายบริวารเลยกลายเป็นของหลักไป ่วนผ้ากรถินนี้เลยกลายเป็นของรองไปอันนี้คือที่มาเล่าให้ฟังเท่านั้นบางทีบางคนเห็นบนว่าเป็นถ้าถวายผ้ากระถินไม่ั้นถวายเงินเลยถวายเงินไปทาไมก็ไม่ถวายก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ที่เขาถวายกันเพราะเขาเห็นความจาเป็นของวัดคนที่ไม่เข้าวัด น, นี้จะไม่รู้ตะคิดว่าวันนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไร ไม่เหมือนสมัยก่อนหรือถ้าเป็นวัดถ้าเป็นพระวัดป่านี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งวัดป่านี้ท่านจะไม่ค่อยมีถาวรละวัตถุอะไรท่านมีอย่างมากก็ศาลาหลังหนึ่งแล้วก็มีกุฏิกระตาบถ้ามันเป็นอะไรก็ซ่อมกันเองได้ช่วยเหลือกันทํามันก็ได้แต่ <c oughs> ถ้าเป็นวัดในบ้านในเมืองนี้มันเป็นวัดที่เขาสร้างแบบวิจิตรพิสดารเ <c oughs> พราะเจ้าภาพที่สร้างก็อยากจะให้วัดสวยงาม ม, า ม, มีหน้ามีตา ก็เลยกลายเป็นภาระของวัดไปหลังจากที่สร้างถาวรและวัตถุเสร็จแล้ววัดก็ต้องเป็นผู้ดูแลรักษาเพราะคนสร้างเขาไม่มาดูแลให้เขาสร้างเสร็จเขาถวายเสร็จเขาก็ไปและอย่างนี้นเลยกลายเป็นภาระของพระที่อยู่ในวัดที่จะต้องมาคอยดูแลถาวรและวัตถุต่างๆจึงเลยมีความจําเป็นที่จะต้องมีปัจจัยเงินทองเป็นค่าใช้ใจ่ายน นี่คือเรื่องที่มาของว่าทําไมถวายผ้ากฐินจึงต้องมีซองทำไมจะต้องมีการถวายเงินทองกันนี่แต่นี่ไม่ได้เป็นการบังคับกันขอให้เข้าใจไว้นะถ้าไม่อยากจะถวายเงินทองก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่บาปไม่อะไรเพียงแต่ไม่ได้บุญเท่านั้นเองถ้าอยากจะได้บุญก็ทําบุญไปถวายผ้าแล้วก็ถวายเงินทองไปเพื่อที่จะได้เอาเงินทองนี้ไป ดูแลวัดวารามดูแลฐานวารวัตถุให้อยู่ในสภาพที่สวยงามที่ใช้ได้นี่คือเรื่องของกรถินกรถินนี่ก็มีสองแบบด้วยกันคือมีกรถินหลวงกับกรถินราชวัดที่เป็นวัดหลวงนี่จะเรียกว่าจะถวายกรถินหลวงคือกรถินพระราชฐานนี้เราเรียกว่ากรถินหลวง เพราะว่าวัดหลวงนี้เป็นวัดที่อยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินท่านเลยรับพระราเป็นผู้ถวายผ้ากรถิ่นให้กับทุกวัดวัดหลวงทุกวันนี้ใครอยากจะไปถวายผ้ากรถินกับพระอารามหลวงนี้ต้องไปรับพระราชทชานอนุ ญ, ญาตจากพระเจ้าแผ่นดินก่อนไปขอรับผ้ากรถิ่นจากพระราชพระเจ้าแผ่นดินแล้วถึงจะเอามาถวายได้อย่างวัดนี้เป็นพระอารามหลวง แผู้ที่เป็นเจ้าภาพก็ต้องไปขออนุ ญ, ญาตจากสำนักราชวังก่อนสำนักราชวังก็จะดำเนินการให้แล้วพอมีได้รับอนุญาตก็จะรับผ้าจากจากในวังนะผ้าที่จะถวายนี้เป็นของในวังในวังนี้เตรียมไว้สําหรับทุกวัดวัดอารามหลวงทุกวัดแล้วจึงเอามาถวายในนามของพระเจ้าแผ่นดินเต็มตัวแทนนั้นตัวเองไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นเจ้าภาพ เป็นเหมือนตัวแทนเป็นผู้รับผ้าพระราชทานผ้ากรถิ่นนี้มาถวายให้กับพระอารามหลวงนี่คือพระที่เราเรียกว่ากรถินพระราชทานเป็นเป็นการถวายผ้ากรถินของพระอารามหลวงแทนพระเจ้าแผ่นดินเพราะพระเจ้าแผ่นดินนี้ท่านไม่สามารถที่จะไปทําได้ทุกวัดท่านก็เปิดโอกาสอนุ ญ, ญาตให้ผู้ที่มีศรัทธาที่จะ มารับผ้าไปทำหน้าที่แทนส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรต่างๆเส้นหน่วยงานต่างๆของทางราชการเช่นกระทรวงต่างๆกรมต่างๆก็จะไปรับผ้ากระถินพระราชทานไปถวายตามพระอารามหลวงต่างๆหรือบางทีก็มีบริษัทห้างร้านหรือผู้มีฐานะที่อยากจะถวายผ้ากระถินพระราชทานก็สามารถที่จะ ทำเรื่องไปขอได้นะนี่คือกรถินหลวงเรียกว่ากรถินพระราชทานส่วนกรถินอีกแบบเราเรียกกรถินราชคือถวายถวายกับวัดของราชฎรนวัดที่ชาวบ้านสร้างกันขึ้นมาวัดป่าวัดเขา ว, วัดอะไรที่ไม่ใช่เป็นวัดหลวงนี่เราเรียกว่าวัดราดนะผู้ที่ถวายกรถินก็จะเป็นกรถินราชก ร, กระถินของราชฎรกรถินของราชฎรก็มีสองแบบะ กรถินสามคัคคีกับกรถินที่มีเจ้าภาพบางวัดนี้บางแห่งนี้คนที่จะเป็นเจ้าภาพคนเดียวนี้มีกําลังไม่ไหว <Yeah. S 1> ก็เลยร่วมเนื้อร่วมใจกันร่วมกันหลายคนมาเป็นเจ้าภาพ <Yeah. S 1> ก็เรียกว่าเป็นผ้ากรถินสามัคคีไป <Yeah. S 1> ใครอยากจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพ <Yeah. S 1> ก็มาร่วมได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเป็นกรถินที่มีเจ้าภาพนี้ ก็ขอร่วมได้แต่ยังไม่ก็แต่ได้ร่วมในฐานะผู้ร่วมอนุโมทนาบุญแต่จะไม่ได้เป็นเจ้าภาพเวลาประกาศเขาจะประกาศว่านายกนายขอเป็นเจ้าภาพนำผ้ากรถินมาถวายให้กับวัดนี้ได้ก็มีสองรูปแบบในการถวายผ้าผ้ากรถินของวัดราชฎรหรือผ้าสามัคคีกรถินสามัคคีหรือกรถินที่มีเจ้าภาพ นี่ก็คือเรื่องราวของกระถินที่นำมาฝากท่านในวันนี้เพื่อท่านจะได้มีความรู้เพื่อจะได้เข้า อ, อกเข้าใจว่าทำไมช่วงนี้จึงมีกรถินเยอะเหลืเกินทั้งปีทั้งชาติไม่มีเลยอยู่ดีๆพอออกพรรษาป้อมพผล่โผลขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดนะก็เพราะว่าสรงอนุญาตเพียงเดือนเดียวก่อนหน้านี้ไม่มีพ้ากระถินขอ จัดผ้ากระถินไม่ได้จัดงานรับผ้ากระถินไม่ได้เดี๋ยวหลังจากวันขึ้นสิบสองข้ามันลอยกระทงแล้วก็หมดไม่มีผ้ากระถินออกอีกต่อไปถ้าจะถวายก็ต้องกลายเป็นถวายผ้าป่าไปผ้าป่าก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้มีพิธีไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับผ้ากระถินจะถวายวัดไหนก็ได้มีพ้ากี่รูปจะรับก็ได้พระจะได้อยู่จำพรรษามาแล้วหรือยังก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เป็นการทำสังฆทานโดยใช้ผ้าเป็นเป็นเป็นวัตถุเท่านั้นเองเป็นการถวายสังฆทานแบบหนึ่งเรียก mm hmm. ว่าผ้าป่า mm hmm. ผู้ที่อยากจะถวายผ้าแต่ถวายผ้ากรถินไม่ทัน mm hmm. ก็เลยใช้ผ้าป่าแทน <Yeah. S 1> พอพ้นวันที่สิบห้าค่ำเดือนส2บสองแล้วพอพ้นวันลอยกระทงแล้วถ้ายังอยากจะถวายผ้าอยู่ mm hmm. ก็จะถอดงานถวายผ้าป่าไปแทน yeah. yeah. นี่คือที่มาผ้าต่างๆ อห้ญาตโยมได้ทราบไว้ทำไมต้องมีผ้าป่าทำไมต้องมีผ้ากรถินมันต่างกันอย่างไรมันก็มันไม่มันต่างที่พิธีกรรมที่เหตุผลแต่แต่มันก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือถวายผ้าเหมือนกันนี่คือเรื่องของ <c oughs> การถวายผ้าซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยฉี่ ของของนักบวชของผู้ที่ปรารถนา <c oughs> การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นที่จะต้อง <c oughs> อยู่แบบมากน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลากับการไปหากับการไปดูแลรักษาปัจจัยสี่ให้หาแบบเรียบง่ายแบบง่ายๆตามมีตามเกิดเนะเช่นได้อยู่ในป่านี่ หากิ่งไม้หาใบไม้มาบุงมาบังนี่มันสบายไม่ต้องมากังวลกับการไปหาเงินมาสร้างกุฏิหาหาหินหาอิดหาปูนหาไม้หากระเบื้องหาลายร้อยแปหาสายไฟหาอะไรต่างๆเพื่อมาสร้างกุฏิที่อยู่อาศัยเวลามันก็จะหมดไปกับการหาปัจจัยสี่เวลามีค่าเพราะชีวิตของเรานี้ไม่ไม่รู้ว่าจะตายกันเมื่อไหร่ วันดีคนดีอยู่ดีๆตายขึ้นมาก็ได้เมื่อสองวันก่อนก็มีเด็กที่สายบาด ท, ที่บ้านอำเภอพุ่งเรียนจบมหาลัยก็อยู่ดีๆก็นอนปวดท้องหลงไปโรงพยาบาลเดี๋ยวตอนดึกก็ตายหัวใจหยุดเต้นอายุแค่ยี่สิบสามปีไม่มีใครรู้ว่าตนเองจะตายเมื่อไหร่ยังอย่าประมาท อย่าเสียเวลากับการไปหาปัจจัยสี่มาต้องเป็นที่อยู่แบบนั้นอาหารต้องเป็นแบบนี้เสื้อผ้าต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้อยาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่าไปเสียเวลากับมันให้มากเกินไปพอให้มันอยู่ได้ก็พอเอาแบบมักน้อยสันโดษแบบของพระพุทธเจ้านี่เป็นแบบฉบับอาหารก็บินทบาน ตามมีตามเกิดถ้าเป็นญาติโยมก็เป็นที่ร้านก็สั่งมาตามมีตามเกิดไม่ต้องไปเลือกเมนูจัดมาหาอาหารมาแล้วของสามอย่างอะไรก็ได้แลกินใบตามมีตามเกิดเ <c oughs> สื้อผ้าถ้ามีสองสามชุดก็พอแล้วชุดหนึ่งไว้เปลี่ยนชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักนจะได้ไม่ต้องมาคอยวุ่นวายกับการดูแลรักษาเสื้อผ้ารองเท้ากับรองเท้าแต่คู่เดียวเนี่ยตั้งแต่เราบวชมานี่เราใช้รองแต มีรองเท้าแต่คู่นี้มาเปลี่ยนมาหลายคู่แล้วแต่ก็มีคู่เดียวใช่เพราะมีเท้าคู่เดียวจะไม่มีรองเท้าไว้หลายคู่ให้เกะกะทําไมเดี๋ยวก็ไม่มีที่เก็บเดี๋ยวก็ต้องไปสร้างที่เก็บของอีกวุ่นวายเปล่าเ่าเสียเวลาเปล่าเปลกับการกับการปฏิบัติเนี่พราะพุทธเจ้าท่านเห็นกิเลสมันยอดมันชอบหลอกให้เราไปหลงกับเรื่องที่มันไร้ S <S สาระเรื่องที่ไม่มีประโยชน์กับจิตใจเนี่ ไปยุ่งกับเรื่องปัจจัยสี่มากเกินไปเลยสอนให้อยู่แบบสัมโดษอาหารก็ให้บินทบาดแล้วก็ไม่ให้เก็บไม่ให้สะสมกินเสร็จที่เหลือก็ให้แจกเป็นทานไปสละไปไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาสร้างที่เก็บอาหารเนี่ยต้องสร้างที่อุ่นอาหารเนี่ยสร้างอะไรอีกเนี่ยหามันตามีตามเกิดไปพรุ่งนี้หาใหม่อยู่แบบนกท่านสอนแบบนักบวต้องอยู่แบบนกเนี่ยนกเวลามันไปไหนมันเอา เอาบ้านไปด้วยเมันไม่ได้อะไรไปหรอกมันก็ไปของมันแล้วมันก็ไม่าหาข้างหน้าได้ <Yeah. S 2> ถ้าหาไม่ได้ก็ตาย <Yeah. S 2> ไม่ใช้ก็เร็วก็ต้องตายอยู่ดีแต่อย่างน้อยอยู่แบบสบายอยู่แบบไม่วุ่นวาย yeah. Yeah. อยู่แบบแบบสบายอยู่แบบสันโดษ <Yeah. Yeah. S 2> อาหารที่อยู่อาศัยตามมีตามเกิดถ้าอยู่ในป่า ก, ก็หากิ่งไม้ใบไม้มามุงมาบางัง ถ้าอยู่ในถ้ำก็ไม่ต้องในถ้ำก็มีที่หลบแดดหลบฝนหรือไปอยู่ตามเรื้อผาหรืออยู่ตามเดือนล้างมีเดือนล้างที่ใครก็ทิ้งไว้ไม่มีใครอยู่พอหลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ไปนี่เกิดที่อยู่ของนักบวชไม่ต้องมากังวลกับการคอยดูแลรักษาใครจะมาขโมยใครจะมาอะไรก็ไม่มีใครมาไม่มีใครอยากจะไปอยู่ที่แบบนั้นกัน ยาก็แบบที่พูดยาดองน้ําปัสสาวะยาดองน้หมูดเก็บผลไม้เก็บสมอเก็บอะไรมาแล้วก็เวลาฉี่ก็ฉี่ใส่ขวดเข้าไปแล้วเวลาปวดท้องปวดศรีรษะก็ดื่มน้ํานี่เข้าไปเป็นยาดองได้ยาแก้โรคได้เพราะสมัยก่อนก็ไม่มียายก็เป็นสมุนไพรนะมียาต้มยาแล้วก็เอาเอาใบมังค์เอาใบไม้เอาร า, า, ากไม้เอาแก่นไม้มาต้มแล้วก็มาดื่มมากินกัน ของพ่าก็เอาเนี่เอาสมอมาดองด้วยน้ำปัสสาวะนี่อยู่แบบนี้มันสบายมันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นภาระที่จะต้องมาเสียเวลาจะได้มีเวลามาทุ่มเท ก, กับการปฏิบัติธรรมเป้าหมายของการบวชรือของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้อยู่ที่เรื่องการชำระกิเลสตัณหา ที่เป็นตัวคอยมาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจดัง <Yeah. S 1> นั้นถ้ากิเลสตัณหาตัวไหนโผล่มาต้องรีบกําจัดมันกิเลสตัณหาที่มาเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่นี้ต้องกําจัดมันด้วยมากความมากน้อยสันโดษ <Yeah. S 1> พอหรือยังมีพอหรือยังพออยู่ได้หรือยัง <Yeah. S 1> พออยู่ได้แล้วก็พออย่าไปดิน้นอย่าไปขวนขวายให้มันเสียเวลา <c oughs> มันไม่มีความวิเศษวิสุวธ์อะไรหรอก ต่อให้ไปสร้างปราสาทราชวังขึ้นมามันก็เป็นแค่ที่หลบแดดหลบฝนเหมือนกันเวลานอนหลับไม่รู้หรอกว่านอนอยู่ในปราสาทราชวางังหรือนอนอยู่ในกระท่บม <c oughs> <c oughs> นะเะฉะนั้นอย่าไปหลงกับคาวลมของกิลเลสตัณหามันจะหลอกว่าเอาอยู่บ้านอย่างนั้นดีอย่าอยู่บ้านอย่างนี้ดีอยู่ที่นี่ไม่ดีใส่เสื้อผ้าชุดนี้ไม่ดีให้เปลี่ยนใส่ชุดนั้นชุดนี้อ า, อาหาร กินแบบนี้ไม่ดีไม่มีความสุขให้ไปเปลี่ยนไปกินอาหารอีกแบบนเหมือนกันทั้งนั้นกินไป ม, นมันก็สุขเดียวเดียวเดี๋ยวกินบ่อยๆจำเจซ้สำๆมันก็เบื่ออีก <c oughs> มันก็จะหลอกให้เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆวุ่นวายกับเรื่องปัจจัยสี่ไม่รู้จักจบจักสิน้นแทนที่จะเอาเวลามากับการเจริญสติกับการ น, นั่งสมาธิกับการศึกษาธรรมะให้เกิดปัญญาก็จะไม่มีเวลา เพาะมัวหลงอยู่กับเรื่องของปัจจัยสี่นี่เองดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี้ต้องมีความระมัดระวังมากเก<ม>ี่ยวกับเรื่องการหาสิ่งต่างๆเพื่อมาดำรงชีพ<ม>คือปัจจัยสี่พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าอยากจะปฏิบัติไปได้อย่างรวดเร็วนี้ต้องพยายามใช้ความมากน้อยสันโดษกับเรื่องของปัจจัยสี่ ยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรกินก็กินไปกินอิ่มแล้วมันก็จบจะอร่อยไม่อร่อยไม่สำคัญเพราะเราไม่ได้กินเพื่อความอร่อยกินเพื่อดับความหิวของร่างกายกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ต่อไปได้เท่านั้นเองนี่คือเป้าหมายของการกินหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่าเพราะลดแห่งธรรมชนะรดทั้งปวงถึงแม้จะไม่ได้รับประทานอาหารที่อรดอร่อยที่ถูกปาก แต่พอไปนั่งสมาธิจิตสงบโอ้ยเจอรสแห่งธรรมนี่มันอร่อยกว่ารสของอาหารไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่ามันทําให้ลืมเรื่องรสของอาหารทําให้ไม่สนใจกับเรื่องของรสของอาหารทําให้กินอะไรก็กินได้ง่ายเพราะรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะพุ่งเป้าไปคือเข้าหารสแห่งธรรมกัน อย่าไปหารถของบ้านของที่อยู่อาศัยรถของอาหารรถของเครื่องนุ่งหม่มรถของยารักษาโรคภายไข้เจ็บรถของเหล่านี้มันไม่มันสู้รถแห่งธรรมไม่ได้มันไม่ประทับใจเหมือนกับรถแห่งธรรมงั้นพยายามอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาหรือการดูแลรักษาปัจจัยสี่ให้มันมากจนทำให้เราเสียเวลาของการปฏิบัติไป พยายามาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเราต้องคิดแล้วว่าชีวิตของเรามันไม่ใช่คิดมันจะอยู่ไปตามที่เราคิดนะเพราะเราทุกคนมักจะคิดว่ากูอยู่นั่น้อยก็แปดสิบเก้าสิบปีเนี่ยแต่ที่ไหนได้ดีไม่ดียี่สิบกว่าสามสิบกว่าก็ตายกันได้อยงั้นต้องคิดว่าชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอนจะตายกันเมื่อไหร่ก็เป็นไปได้ อาจจะตายวันนี้ได้คืนนี้อาจจะเป็นเหมือนเด็กคนนั้นก็ได้กลับไปนอนบ้านปวดท้องขึ้นมา เ, ออเข้าโรงพยาบาลหาหมอหมออาจจะรักษาผิดรักถูกก็ไม่รู้แ ต, แต่ที่ถ้าอยู่บ้านอาจจะไม่ตายถ้าทนอยู่กับความปวดได้เดี๋ยวมันก็หายแ อ, อ, อ่ถ้าไปอยู่กับหมอบางทีหมอตื่นเต้นตกใจพยายามดึกไปเจอหมอเวงหมอหมอใหม่เข้ายิ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวรักษาผิดรักษาถูก เมือ่อตายเพราะระหลงตายเพราะรักษารักษาผิดวิธีเหานพระปฏิบัตินี้ท่านไม่นิยมไปโรงพยาบาลกันะท่านใช้ธรรมโอสถกันใช้สมาธิใช้สติใช้ปัญญาทําจิตให้สงบใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันถ้ามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ <N> ถ้ามันไม่ตายมันก็ไม่ตายดเดี๋ยวมันก็หาเอง <N> ท่านทนกับความปวดทรมานได้ก็ไม่ต้องวิ่งไปหาหมอกัน ส่วนใหญ่ผู้ที่ไม่มีธรรมะโอสถนี้มันทนกับความปวดไม่ได้มันร้องโอดควรคางจําเป็นยิ่ต้องไปหาหมอยิ่งหมอบางทีก็วินิจฉัยโรกบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกตาไปวินิจฉัยผิดเข้ามันแทนที่จะช่วยกับทําให้มันซุดมากขึ้นไปก็ได้งั้นก็มีเลือกเอาจะเอาวิธีไหนจะตายแบบวิธีไหนดีตายแบบสบายอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดตายไปถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไป หรือไปตายที่โรงพยาบาลก็ได้ตายแบบเสียเงินอยู่ดีๆตายแล้วถ้าตายแล้วเขาไม่เก็บเงินก็ดีตายเขาก็ยังเก็บเงินอยู่นั่นอย่าไปอย่าไปคิดว่าชีวิตของเราจะอยู่ไปได้ตลอดเวลาเหมือนคนอื่นเ้านะ่ะเห็นคนแก่เขาเจ็ดสิบแปดสิบอาจจะคิดว่าโอ้ยเรายังมีเยอะตอนนี้เราแค่สามสิบยังมีตั้งสี่สิบปีตอนนี้ขอเที่ยวก่อน ขอกินขอดื่มข้อเล่นก่อนไว้เวลาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติมเพราะจจะไม่มีเวลานั้นก็ได้ <Yeah. S 1> ดูคนที่เขาตายดูข่าวคนตายบ้างตายอายุกันเท่าไหร่ย <Yeah. S 1> ี่สิบสามสิบเด็กบางคนอายุไม่ทันกี่ขวบก็ตายกันได้ดะงนั <Yeah. S 1> ้นโอกาสที่เราจะตายก็มีเหมือนเขาแหละอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ก็นี้นอนหลับแล้วพรุ่งนี้ไม่ตื่นขึ้นมาก็ได้ดังนั้นให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ ไม่มาวุ่นวายไม่มาเสียใจกับเรื่องเรื่องที่ไม่มีความจําเป็นมากเกินไปเอาเรื่องที่จําเป็นก็เอาเท่าที่มันพอใช้ได้ก็พอพออยู่ได้พออยู่พอกินไปได้ก็พอเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หิวนี้มาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติกันมาสร้างลดแห่งธรรมกันลดแห่งธรรมนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรา สามารถทำใจของเราให้สงบได้ใจของเราจะสงบได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้ดึงเข้าไปใจของเรานี้มีสองฝ่ายต่อสู้กันส่วนใหญ่เรามีฝ่ายเดียวคือฝ่ายกิเลสฝ่ายกิเลสมันจะคอยดึงให้เราออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันมันชอบดึงให้เราไปดูไปไปดูไปกินไปดื่มไปฟังไปเล่นอะไรกัน ถ้าออกไปข้างนอกแล้วใจจะไม่มีวันสงบเพราะใจจะต้องทำงานจะต้องคิดปรุงแต่งแล้วก็จะมีการดีใจเสียอกเสียใจรับตลอดเวลาใจก็เลยจะไม่มีวันสงบได้ใจจะสงบได้นี้ต้องอาศัยธรรมเป็นผู้ดึงเข้าไปข้างในธรรมที่จะดึงใจเข้าไปข้างในก็คือสติถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถดึงใจให้เข้าไปข้างในได้นั้น นอกจากมีสติแล้วยังต้องมีความสำรวมตาหูจมูกเป็นกายด้วยตัวอย่าไปอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสที่จะคอยดึงใจให้ออกไปหาอย่าไปดูอยู่ใกล้ทีวีอย่าไปอยู่ใกล้ตู้เย็นอย่าอย่าไปอยู่ใกล้ขนมนมเลยให้ไปอยู่ที่มันไม่มีเช่นไปอยู่วัดเนี่ยวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมนี่ที่ที่พักนี้เขาไม่ให้มีอะไรเลยของกินของดูของฟังนี่เขาไม่ให้มีทั้งนั้น เพื่อจะได้ไม่มีอะไรมาดึงใจให้ออกไปข้างนอกถึงแม้ยังไม่ได้เข้าข้างในก็อย่างน้อยก็ไม่ไม่ให้ดึงไปหาหารูปเสียงกลิ่นรสแต่มันก็ยังจะไปทางใจอยู่ไม่มีรูปให้ดูมันก็ยังคิดรูปทางใจอยู่คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงละครเรื่องนั้นคิดถึงหนังเรื่องนี้คิดถึงเพลงนั้นเพลงนี้ถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวมันก็ทนไม่ไหวคิดแล้วมันก็อยากคิดถึงหนังก็อยากจะดูคิดถึงเพลงก็อยากจะฟัง คิดถึงขนมนมเลยก็อยากจะรับประทานคิดถึงเครื่องดื่มมันก็จะอยากจะดื่มเพระฉนั้นพอไปอยู่ที่มันไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่างเดียวแล้วยังไม่พอนะอยังต้องมาหยุดความคิดให้ได้เพราะถ้าหยุดความคิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะดึงให้ใจกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปอยู่ปฏิบัติทำได้สองสามวันก็เบื่อแล้วขอกลับบ้านเพราะว่าไม่มีสติคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ดัง น, นั้นถ้าเราอยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมคือความสงบของใจเราจำเป็นที่จะต้องฝึกสติกันให้มากๆเราไม่ใช่ฝึกสติเฉพาะตอนที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นไม่พอ mm hmm. เราต้องฝึกตั้งแต่ก่อนเราจะมานั่งฝึกตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยต้องฝึกเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาคืออย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตถึงอนาคต ค, คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่จาเป็น ถ้าเราอยู่ที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องคิดเรื่องงานก็ไม่มีเรื่องบ้านก็ไม่มีเรื่องคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีก็มีเรื่องเล็กน้อยก็คือเรื่องเลี้ยงดูตัวเองอาบน้ํำอาบน้ําล้างท่าแปรงฟันรับประทานอาหารเท่านั้นเองก็คอยควบคุมความคิดอย่าให้มันไปไกลตัวให้มันอยู่ใกล้ตัวอยู่กับเหตุการณ์ที่เรากําลังทําอยู่ อาหนับน้ําก็ให้มันอยู่กับการอนบน้ําล้างหน้ า, าแปรงฟันก็ให้มันอยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารอย่าให้มันไปคิดถึงเมื่อวานนี้อย่าให้ไปคิดถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้กลับบ้านจะไปทําอะไรดีเมื่อวานนี้ไปเที่ยวที่ไหนมาอย่าไปคิดให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้คิดให้รู้เฉยๆใจนี้มีสองส่วนมีส่วนที่คิดกับมีส่วนที่รู้ส่วนที่รู้นี่มันรู้ตลอดเวลา แต่บางทีมันถูกส่วนที่คิดมากบไว้มาบังไว้มันก็ไปรู้เรื่องของสิ่งที่ตัวเองคิดนะเลยไม่ได้รู้เฉยเฉยก็ต้องให้มันรู้เฉยเฉยจะรู้เฉยเฉยก็ต้องหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดแล้วก็จะเหลือแต่ใจผู้รู้อยู่เฉยเฉยแล้วก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขฉะนั้นต้องพยายามฝึกสติคอยดึงใจไว้ให้อยู่กับร่างกายเรียกว่ากายกตาสติ คือให้คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกกคลียาบนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานอนหลับไปเลยแล้วพอเวลาเราเสร็จว่างจากภารกิจที่จะต้องดูแลร่างกายของเราเอาบรับประทานอาหารเสร็จก็มาเดินจงกรมก่อนก็ได้เพราะถ้าไปนั่งตอนนั้นมันจะง่วงเพราะเพิ่งกินอาหารเสร็จใหม่ๆท้องมันหนักหนังท้องมันตึงแล้วมันจะทําให้หนังตามันหย่อน นั่งแล้วมันจะสริมสลอ่นเดี๋ยวก็ฟุบไปยันก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจงกรมก่อนเดินจงกรมก็มีสติกับร่างกายอยู่กับเท้าที่เดินก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาไปเดินไปเดินมากลับไปกลับมาจนกระทั่งรู้สึกไม่ง่วงอนะ่ะรู้สึกตื่นตัวดีแล้วค่อยไปนั่งเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกแทน เพราะตอนที่นั่งนี้มร่างกายไม่เคลื่อนไหวก็เหลือแต่ลมเท่านั้นที่เคลื่อนไหวก็คอยเฝ้าดูลมเพื่อจะได้ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสามารถผูกใจให้อยู่กับลมได้ตลอดเวลาไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตได้ภายในหนาทีสิบนาทีใจก็จะสงบได้สงบก็มีหลายลักษณะสงบเป็นขั้นขั้น สงบทีิอรซตเรเหมือนเหมือนเดินขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยเดินทีละขั้ น, นหรือบางครั้งก็สง บ, บแบบรวดพรวดพลาดนจากศูนย์ไปลงไปร้อยเลยก็ได้นิ่งสง บ, บทันทีอันนี้ก็แล้วแต่การปฏิบัติแล้วแต่ชนิดของกรรมฐานที่เราใช้ในการกำกับใจถ้าใช้พุโทโธเนี่ยท่านเ ท, ท่าที่ได้ยินมักจะลงแบบพรวดพลาดกัน พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ไปคิดถึงเนื่องนั้นเ น, น, นี้ไม่สนใจกับอะไรอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเลยเดี๋ยวอยู่ๆมันก็จะตกหลุมตกบ่อ ล, ลงไปเหมือนจะตกลงจากที่สูงถ้าดูลมหายใจนี้มันจะลงเป็นขั้นๆ น, นลงกึกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ลงอีกกึกหนึ่งรู้สึกเบาขึ้นสงบมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดมันก็จะสงบนิ่งลงไปนะแล้วการสงบนี้ก็มีสองลักษณะสงบแบบร่างกายหายไปเลย รูปเสียงกินลดหายไปเลยก็ได้นี่เป็นพวกที่ลงแบบพวดพลาดนี่จะจะเป็นอย่างนี้ลงปุ๊บนี่ร่างกายหายไปเลยเหนือแต่ใจผู้รู้อยู่ตัวเดียวเหนืออยู่แต่รถแห่งธรรมคือรถของความสงบที่เป็นรถที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็มีอุเบกขาใจใจไม่มีรักมีชังไม่มีกลัวไม่มีหลง แล้วก็สบงบแบบหนึ่งก็สงบแบบร่างกายไม่หายไปรูปเสียงกลิ่นลดไม่หายไปแต่ใจไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่มากระทบนี่ยได้ยินเสียงก็เฉยไม่รู้สึกเดือดร้อนเห็นได้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เฉยไม่รู้สึกเดือดร้อนคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่เฉยๆได้ปล่อยวางได้ปล่อยให้ร่างกายปล่อยให้รูปเสียงกลิ่นรดเกิดดับเกิดดับของเขาไปตามเรื่องของเขาได้เย อย่างนี้คือลักษณะของลถแห่งธรรมสองชนิดมันจากการปฏิบัติสติแต่ยังเป็นลถแห่งธรรมแบบชั่วคราวอยู่ก็คือจะจ ะ, จะสัมผัสกับลถแห่งธรรมนี้ในขณะที่จิตเข้าไปในสมาธิแต่หลังจากนั้นไม่นานด้วยนานมันก็แล้วแต่กําลังของสติถ้าสติมากก็จะสงบได้นานถ้าสติน้อยก็สงบได้น้อยเดี๋ยวก็ต้องเด้งออกมาเพราะกิเลสคือความ อยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันจะดึงใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสพอออกมาสู่ตาหูจมูกลิ้นกายความสงบมันก็จะค่อยๆจางหายไปเรียกว่าลถแห่งธรรมแบบชั่วคราวถ้าเราอยากจะให้ลถแห่งธรรมนี้เป็นจากชั่วคราวมาเป็นแบบถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาเวลาหลังจากที่ออกมาจากความสงบแล้วพอเกิดความอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรส ก็ใช้ปัญญามาสอนว่าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นความสุขประเดียวปะดาวเป็นความสุขที่ไม่ทิ้งแท้แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดพอหมดแล้วความสุขก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้ความสุขตลอดก็ไม่ได้ถึงแม้ของที่เราได้มายังอยู่ก็ตามแต่ความสุขที่ได้จากมันนี้เหมือนกับ หายไปแล้วตอนซื้อของมาใหม่ๆโอ้ยดีออกดีใจแต่ภาภาภาพออยู่กับมันไปอยู่กับมันไปไม่ความวิ่ง อ, อกดีใจเหมือนกับวันที่เราได้ซื้อมาใหม่ๆนี้มันหายไปแล้วอันนี้เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้เราอยากได้ความสุขแบบนั้นอีกเราก็เลยต้องไปซื้อของใหม่ก็เลยต้องคอยไปเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆไปซื้อของใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาน นี่คือปัญญาให้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นอนัตตาการที่เราไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้เห็นทุกข์ที่ตามมาเวลาที่ความสุขที่ได้จากมันหายไปถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วทุกครั้งที่เวลาเกิดความอยากที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะหยุดทันทีบอกไม่อยากไปหาความทุกข์แล้วไม่อยากจะไปหาต้องคอยไปหามาเติมอยู่เรื่อยๆได้เสื้อชุดนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะได้อีกชุดหนึ่ง ความ ร, รู้สึกที่ได้จากชุดเก่ามันหายไปหมดแล้วถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับผลไม้เนี่ยเหมือนกับเราคั้นน้ําออกมาแล้วเนี่ยพอดื่มน้ําผลไม้แล้วผลไม้อันนั้นถึงแม้จะยังมีอยู่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วลนะพราะน้ํามันหมด ล, ละน้ําผลไม้มันหมดละอันนี้ก็เหมือนกันของที่เราได้มาใหม่ๆก็เป็นเหมือนผลไม้พอเราบีบมันปั๊บโอ้ได้ดื่มน้ําดีอกดีใจมีความสุข ก, กับมันเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งแ้วน้ำมันหมดละ ดูยังไงก็ไม่ดีอกนม่ใจเหมือนกับตอนที่ซื้อมาใหม่ๆก็เลยต้องไปซื้อใหม่อี ก, อกชุดหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งหรืออะไรก็ตามใหงนี้้เห็นเป็นว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะได้ไม่ไปหามันกลับไปหาความสุขคือลแถแห่งธรรมดีกว่าทุกครั้งอยากจะไปหาลูกเสียงกินแล้วก็เปลี่ยนยูเทิร์นะกลับลถกลับเข้าไปข้างใน ใช้พุทโธพุทโธได้การดูลมหายใจไปนั่งสมาธิใหม่แล้วจิตก็จะกลับเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปเราก็จะไม่ต้องทำตา ม, ามตามความอยากถ้าความอยากเกิดขึ้นแล้วเราไม่ทำตามมันต่อไปมันก็จะไม่มีกำลังที่จะมาโผล่ขึ้นมาได้ต่อไปความอยากก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจความสงบที่เราได้จากสมาธิก็จะกลายเป็นความสงบแบบถาวรต่อไป ไม่ต้องเข้าสมาธิก็สงบอยู่ในสมาธิก็ได้ไม่อยู่ในสมาธิก็ได้จิตมีความสงบมีความสุขมีลดแห่งธรรมตลอดเวลา24ชั่วโมงเดินยืนนั่งนอนไม่ว่าอยู่ที่ไหนสถานที่ใดไม่สามารถที่จะมาทำลายลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้นี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเป้าหมายของนักบวช ต้องพุ่งไปที่ตรงนี้อย่าไปพุ่งไปที่ปัจจัยสี่ปัจจัยสี่มันจําเป็นต้องมีก็มีทำเท่าที่จําเป็นก็พอพอมีพอเพียงแล้วอยู่ได้แล้วร่างกายไม่เดือดร้อนแล้วก็อย่าไปเสียเวลามากไปกว่า น, นั้นเอาเวลามาพุ่งพุ่งเป้าที่รถแห่งธรรมด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาเถิดแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรียกว่าปรามังสุขขัง แล้วเราจะได้ไม่มีความทุกมาวุ่นวายใจเราอีกต่อไปแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีความมากน้อยสันโดษในปัจจัยสแล้วก็มีความมุ่งมั่นต่อการจเจริญสติสมาธิและปัญญานี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปริกุเลนติสาครังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปการปติยิชีตังปฏิตังต um ุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติ ภระโอยาถาสภิติโยวิวัชชะตุสัพพโรโควินาสตุมเตภาวะตวันตรายุสุขีทีกายุโกภาวะอภิวาฒนสีริษะนิจจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวโนสุขัง าลาบุช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคําถามกันใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วเพราะไม่สะดวกเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการกระทําอะไรต่างๆ ยันถ้าอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง f facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโต407ค่ะ Facebook พอจอสุชาติพิชาโต4 9ค่ะยอดรวม Facebook ทั้งหมด456ค่ะ YouTube 209วิทยุออนไลน์13ซูม6ผู้รับฟังหน้ากุฏิ91รวมทั้งหมด775ท่านเจ้าค่ะ ถ้ามีคําถามก็เชิญถามได้เลย <c oughs> คําถามจากคุณอุบาสิกาค่ะกลาบเรียนถามท่านอาจารย์คนที่ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกต้องนอนนิ่งมีเพียงลมหายใจจิตของเขาจะเป็นทุกข์ไหมคะเช่นจิตอยากลุกไปเดินแต่ทําไม่ได้ใช่ไหะถ้ามีความอยากก็ทุกข์แล้วนะถ้าจิตเขาสงบก็จิตเขาก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยากหายอยาก อยากทำนู่นทำนีน่แล้วทำไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดันั้เราต้องหัดฝึกทำใจให้นิ่งลดความอยากหรือตัดความอยากให้ได้เพราะเราจะต้องเจอวันที่เราไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้แล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราทำใจให้นิ่งหยุดความอยากต่างๆได้ คำถามต่อไปค่ะลุงนี้มีกรถิ่นที่วัดญานสังวดาร า, ามอยากเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าท่านพระอาจารย์ออกเดินรับบิณฑบาตหรือไม่เจ้าคะเดินตามปกติเพราะมันต่างเวลากันเวลาบิณฑบาตก็ช่วงเช้าหกโมงเช้ากระถิน่นรูเสึกว่าจะช่วงบ่ายโมงงั้นก็คนละช่วงกันแต่กรถินเดี๋ยวนี้เราปลดเกษียณตัวเองแล้แก่แล้วให้พระหนุ่มพระที่ก็มีกําลังวังชาเขาไปรับกัน เราก็รับที่กุติแล้วก็ทำมามากพอแล้วก็ต้องแบ่งภาระให้กับผู้อื่นต่อไปได้มีเวลาพักผ่อนรักษ า, าธาตุขันจะได้มานั่งคุยกับท่านทั้งหลายต่อไปได้นานๆาคำถามจากคุณสุ ป, ปานทิตาค่ะกล่าบในมัศการเจ้าค่ะ <c oughs> เพื่อนชาวต่างชาติอยากฟังธรรมะของพระอาจารย์ที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ทราบว่าฟังได้ช่องทางไหนบ้างเจ้าคะ ก็มีสองช่องทางทาง y o u t u ก็เรียกว่าดัมมะอ n นอังกฤษถ้าในช่องทางของ Facebook ก็มีอาจารย์สุชาติดัมมะ for the asking ก็มีสองช่องทางเข้าไปเสิร์ชหาได้เข้าไปในเฟซบุ o กก็เขียนดัมมะอ n นอังกฤษถ้าเข้าไปใน a c e b o o k ก็เขียนอาจารย์สุชาติอภิชาโตแล้วก็ด a มมะ for the asking มันก็จะขึ้นมาให้เข้าไปดูได้มีให้อ่านมีให้ฟังได้ตลอดเวลาแล้วบางช่วงก็มีการให้ถามสดได้มี Zoom meeting มีถามแบบถามแบบตอบตอบกันแบบสดสดร้อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้คำถามจากคุณเอทค่ะกลับนรมัส ก, การพระจารย์ค่ะ อยากเรียนสอบถามถ้าอาดีตเราเคยทากรรมฆ่าโนกตกปลามุสาหรืออื่นๆด้วยความรู้น้อยด้านธรรมะปัจจุบันได้อ่านหนังสือธรรมะสดๆร้อนๆของท่านพระอาจารย์สอนให้ทําบุญเพื่อหลังความตายจะได้นำจะได้นาบุญนี้ทำให้จิตสูงขึ้นไม่ต่ำลงด้วยกรรมที่เคยทํามาในอดีตอยากกลับอยากกลีบยนถามว่า บุญที่ว่านี้คือการทำบุญทำทานมีเมตตาจิตใช่หรือไม่เจ้าคะรือต้องทำบุญแบบไหนเจ้าคะก็เริ่มที่การทำบุญทำทานแล้วก็การรักษาสิ่งห<ม>ยุดแล้วการกระทาบาปแล้วก็ฝึกจิตปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อจะได้ขึ้นสู่ขั้นสูงสุดได้คำถามจากคุณโชคช่วงคะ่ะกับเรียนถามอาจารย์สองข้อครับ ข้อที่หนึ่งผมเห็นว่าผู้รู้ทำงานคล้ายวิญญาณขันที่เกิดขึ้นมารับรู้เห็นการทำงานของขันอื่นเมื่อรู้แล้วก็ดับไปแล้วก็รู้ใหม่แล้วก็ดับไปอย่างนี้เห็นถูกต้องไหมครับไม่เถื่อหรอกผู้รู้ไม่ดับนะผู้รู้รู้ตลอดเวลารู้ว่าวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเช่นวิญญาณทางตาเห็นภาพแล้วพอภาพนั้นหายไปวิญญาณอันนั้นก็หายไป แล้วก็ผู้รู้นี้ต้องไม่มีวันดับถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดกำลังดับแต่ผู้รู้นี้อาจจะเผลอสติแล้วไม่รู้คือไปรู้เรื่องอื่นอย่างนี้ได้อยู่แต่ผู้รู้ไม่มีวันดับแท mm hmm. นที่จะมาดูการเกิดดับของวิญญาณ mm hmm. ก็ไปคิดถึงเรื่องอื่นเสีย mm hmm. ก็เลยไม่เห็นการเกิดดับของวิญญาณได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รู้นั้นดับผู้รู้ก็ รู้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราจะดึงให้รู้กับอะไรทั้งนี้ถ้าเรามีสติแล้วก็ควบคุมให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ให้รู้อยู่กับพุทโธให้รู้อยู่กับลมหายใจนก็ต้องใช้สติข้อที่สองเจ้าค่ะผู้รู้กับสติต่างกันหรือไม่ครับก็ผู้รู้เป็นเหมือนอม้าก็แล้วกันสติก็เป็เหมือนเชือกอ่ะ เชือกที่จะคอยดึงม้าให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าไม่มีเชือกม้าก็อาจจะไปตามภาษาของมาอ้าอยากจะไปทางไหนใครมาดึงไปก็จะไปกับสิ่งนั้นใจผู้รู้นี่ถ้ากิเลสก็มาก็จะดึงให้ไปรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องราบยกสารเสยถ้ามีสติดึงก็จะดึงให้มารู้เรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นตน้นเฉะนั้นสติเป็นเหมือนเชือกกากับใจ จกับผูู้้รีทคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะตอนเรามีชีวิตอยู่เรื่องบาปบุญเราทำให้กันไม่ได้ต้องปฏิบัติเองแต่ทำไมเวลาตายไปเราถึงอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณบางกลุ่มได้เจ้าคะเพราะว่ามันเป็นของนิดเดียวที่อุทิศไปคือสมม่บุญที่เราทำร้อยหนึ่งนี้เราอุทิศไปได้แค่บาทเดียวท่านเปรียบเหมือนกับน้าที่ติดเหลืออยู่ในแก้ว เวลาเราเดื่มน้ำเสร็จแล้วยังมีเศษน้ำเหลืออยู่ในแก้วนั่นแกละคือบุญอุทิศที่เราสามารถที่จะอุทิศให้กับผู้ลงรับไปแล้วได้ผู้ลงรับไปแล้วก็เหมือนคนหิวโหยขาดน้ำนั่นจะได้น้ำแค่อย่สองหยดก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาคาถามจากพี่ตุ้มค่ะจิตว่างเพราะวางกายหมายความว่าอย่างไรครับอันนี้ไม่รู้คุณใบพูดมาฟังมาจากใครไม่รู้คุณก็ เราก็ไม่รู้จะตอบยังไงไม่อยากจะตอบดีกว่าคำถามต่อไปค่ะจิตมันว่างได้หลายแบบด้วยกันวางกายก็ว่างก็แบบหนึ่งวางเงินก็ว่างเหมือนกันเราวางเงินดูเนี่ยวางแฟนดูเนี่ยมันก็ว่างแต่มันว่างคนละระดับคือเรื่องใดที่มันอยู่ในใจเราพอเราโยนทิ้งไปไม่ไปยุ่งออกมันเรื่องนั้นมันก็ว่างไปจากใจเราไม่มารบกวนใจเรา ดังนั้นวางกายเรื่องของกายก็จะไม่มาลบกุเลเราแต่มันไม่ล่ะนะครับมันว่างเพราะการวางกายอย่างเดียวมันยังมีเรื่องอื่นที่จะมาทําให้ใจวุ่นวายได้เรื่องของความคิดปรุงแต่งเรื่องของอารมณ์ต่างๆมันก็ยังมีอยู่ในใจเรื่องของความรู้สึกมันก็ยังมีอยู่ดังนั้นการวางกายก็เป็นการทําให้ใจว่างบางส่วนแต่ไม่ว่างหมดน้อยเปอร์ต้องวางไปเรื่อยๆสิ่งใดที่ใจไปแบกต้องวางให้ได้ เหมือนของเราแบกของเนี่ยเราแบกของสิบชิ้นเราวางชิ้นหนึ่งมันก็เบาลงไปหนึ่งหนึ่งในสิบแต่ยังเหลือเก้าชิ้นที่เรายังแบกอยู่ถ้าเราอยากให้ใจลน่่งกายเราสบายไม่ต้องแบกอะไรเลยก็ต้องวางมันทั้งสิบชิ้นไปเลยนั่นแหละถึงจะได้เรียกว่ า, วางอย่างเต็มที่คาถามต่อไปจากทาง a c e b o o k ค่ะการสวดมนต์แบบไม่กระซิบไม่ออกเสียงแต่ตั้งใจสวดและหลังจากสวดเสร็ ก็นั่งสมาธิการกระทำแบบนี้จะได้บุญหรือไม่ครับถ้าจิตสงบก็ได้ถ้ายังไม่สงบก็ได้ก็ได้ความพยายามที่จะสร้างบุญแต่ยังไม่ได้บุญเหมือนกับการปลูกต้นไม้ตอนเวลาปลูกต้นไม้ถามว่าปลูกแล้วได้ผลไหมยังไม่ได้ผลในชะ่ไหมก็ต้องอาศัยการปลูกก่อนแล้วก็รอให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปเดี๋ยวพอมันโตเต็มที่มันก็จะออกผลขึ้นมา การกระทำบุญแบบระดับการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไง้ไม่เหมือนกับการทำบุญแบบทำทานอันนี้ได้ปุ๊บปั๊บเลยเหมือนไปร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดพอยื่นเงินไปให้เขาปุ๊บเขาก็จัดของมาให้กินได้ทันทีเลยถ้าอยากจะได้บุญแบบรวดเร็วทันใจก็ต้องทำแบบทำทานเนี่ยกระถินเนี่ยลองทำปุ๊บมันก็ได้ปั๊บเลย เอาเงินใส่ซองซัแล้วก็จบเท่าหน่อยแล้วก็ส่งให้เขาไปใจก็เบาใจก็เกิดความสุขขึ้นมาทันทีแต่ถ้าจะบุญจากการนั่งสมาธินี้รอไปก่อนนะเพราะเป็นการปลูกต้นไม้ต้องรอหลายปีหลายเดือนกว่ามันจะออกดอกออกผลนั้นบางคนคิดว่าอทอาทบุญแบบไม่เสียเงินดีกว่าจะได้บุญนั่งสมาธิแลอวจะได้บุญแล้วก็อุทิศบุญจากการนั่งสมาธิ มันยังไม่ได้เพราะมันยังไม่ออกดอกออกผลมันยังไม่ได้ผลงั้นก็ถ้าอยากจะอุทิศให้คนที่เขาตายไปแบบรวดเร็วทันใจก็ไปทำนักดอนเนลดีกว่าใซื่อปุ๊บแล้วก็ส่งส่งไปได้เลย๋ยนนี้มีดีลิเวอรี่หลายบริษัทใช่ไหมคำถามจากคุณพานุวัต์ค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ ในชาตินี้หรือในอดีตชาติเราเคยทำบาปฆ่าสัตว์ทำผิดศีลทุกข้อการทำจิตภาวนานี้เรียกว่าการหนีกรรมใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าเวรกรรมที่เคยทำไม่สามารถใช้กรรมหมดครับก็เป็นส่วนหนึ่งคือการหยุดกรรมหยุดการมาเกิดเพราะถ้ า, าไม่มาเกิดเราก็จะไม่มาเกาะกรรมทาเข็นเราก็ไม่มารับผลของกรรมอีกต่อไป คำถามต่อไปค่ะเป็นอะไรก็ทุกข์เป็นพ่อแม่ก็ทุกข์เป็นอะไรในโลกนี้ก็มีแต่ความทุกข์สุขทางโลกก็ไม่ยั่งยืนสุขบ้างแต่ทุกข์มากกว่าเบื่อความทุกข์เห็นอะไรก็หนีไม่พ้นจากความทุกข์เห็นแบบนี้ต้องเห็นตามความเป็นจริงเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนี้ถ้าเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจะนํามาเป็นพลังและเป็นปัญญาเพิ่มขึ้นได้ไหมเจ้าคะได้ ถ้าเห็นมันทุกข์เราก็จะได้ไม่ไปยุ่งกับมันแต่ถ้าเห็นว่ามีภรรยามีสามีทุกข์ก็อย่าไปมีเถ้าเห็นว่ามีรถมีทุกข์ก็อย่าไปมีมันเอาไปมันก็จะไม่มีอะไรมาให้เราเป็นทุกข์ด้วยคำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วค่ะทำไมรู้สึกว่าเรามีความเรามีความรู้สึกอาฆาตเคียดแค้นอยากทำลายอยู่ภายใน จ, ใจิตใจ บางทีเวลาขุ่นหมองอารมณ์พวกนี้มักจะเข้ามาแทรกเองเจ้าค่ะชอบมาดึงใจเราให้ทําไปในสิ่งที่ผิดควรแก้อย่างไรเจ้าคะเพราะเราไม่มีความเมตตาเราไม่เราไม่เจริญเมตตาคือการให้อภัยนเวลาใครก็ทําลายเราให้เราเสียหายหเดือดร้อนเราต้องให้อภัยเขาเอาเวลาหุนตุไม่จองเวรกันแต่เราชอบจองเวรกันมันก็เลยไม่หาย ยิ่งจองเวรเวรยิ่งเยอะขึ้นไปใหญ่เวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรจะระ ง, งับการเวรได้ก็ต้องระ ง, งับการไม่จองเวร น, นั้นยิ่งต้องรู้จักการให้อภัยเวลาใครก็ทําให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทเราก็ต้องให้อภัยเขาแล้วต่อไปการจองเวรก็จะน้อยลงไปหมดไปได้คําถามต่อไปจาก facebook ค่ะ การกราบไหว้รูปปั้นพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์เทพองค์เจ้าต่างๆท่านจะรับรู้จากการที่เรากราบไหว้บูชาหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกท่านไม่มีเวลามานั่งรอดูว่าใครจะมากราบเราหรือไม่มันมีต้องไม่รู้ต้องกี่แห่งพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าจะไปอยู่ตรงไหนดี <c oughs> ไม่หรอกการมีเทพ ร, รูปหรือพุทธรูปนี้มีไว้เราระลึกถึงพระพคุณของท่านเห็นพระพุทธรูปแล้วให้ ล, ลึกถึงพระพุทธคุณอิปปิปสโสภะกวา ฉันเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสรุป ธ, ธรรมโดยชอบเป็นผู้ไกลกิเลสเป็นผู้เบิกบานเป็นต้นเป็นสรัทถาเทวามนุษย์สาวนางังเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่คือเวลาเห็นพระพุทธรูปให้เราเลิกถึงพระพุทธคุณหรือพระธรรมคุณหรือพระสังฆคุณเพื่อที่เราจะได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ที่จะดึงให้เราไปปฏิบัติต่อไปได้ คำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วค่ะขณะบริกรรมอยู่แต่เกิดความฟุ้งซ่านยังแทรกเข้ามาได้อยู่เราควรบริกรรมต่อไปโดยไม่ต้องสนใจความฟุ้งซ่านถูกหรือไม่เจ้าคะาถูกต้องอย่าไปสนใจใหม่ๆก็จะแข่งกันจิตก็บริกรรมไปอีกจิตนึงก็คิดไปสลับกันไปเด้งกันไปเดงกันมาถ้าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะชนะถ้าหยุดบริกรรมเราก็แพ้ถ้าเราไม่หยุดบริกรรมเดี๋ยวเขาก็จะหยุดคิดเอง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกลาบสอบถามว่าบุญจากการทํากรถิน่นเราสามารถอุทิศไปให้บรรพบุรุษและพ่อแม่พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วท่านเหล่านั้นจะได้รับบุญหรือไม่และอา น, นิสงส์จากการทํากรถิ่นนี้ดีอย่างไรเจ้าคะ่ะกลาบสาธุค่ะก็บุญในคัวเห็นกันแหะจะถวายผ้ากรถิน่นผ้าป่า ใส่บาตถวายสังฆทานนี่ก็เป็นบุญชนิดเดียวกันที่อุทิศให้กับผู้รงรับไปได้ไปได้แต่ผู้ร้งรับจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่ว่าเขามารอรับหรือไม่ถ้าเขาไปเที่ยวในสวรรค์เขาก็ไม่มารอรับถ้าเขาไปติดคุกข์ในนรกเขาก็ออกมารับไม่ได้เขาต้องเป็นพวกที่เป็นขอทานพวกเร่ร่อนพวกที่หากินเองไม่ได้เพราะไม่มีสมบัติติดตัวไปไม่มีบุญติดตัวไป พวกนี้ก็จะมารอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องได้อา น, นิสงส์ของกระถินก็เหมือนกันมันก็เป็นการทำบุญทำทานเป็นประโยชน์กับศาสนาทำลูกบารุงพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ให้ร่อนจอนเป็นชีเปื่อย <laughs> แล้วก็จะทำให้มีศาสนาอยู่คู่กับโลกไปนานๆคำถามจากคุณวันเพ็ญค่ะกลับยินถามเจ้าค่ะ เวลาทำสมาธิดูลมหายใจรู้สึกตัวเบาเหมือนขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เป็นเพราะอะไรและต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็เป็นธรรมดาการทำใจสงบมันก็จะเบาเป็นธรรมชาติของความสงบมันจะเบาอกเบาใจแต่ถ้าไปคิดทางตีเลตมันก็จะหนักอกหนักใจคาถามจากคุณพี่ตุ้มค่ะ เราจะละความเป็นตัวตนได้อย่างไรครับเพราะยังพูดคุยและทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอยู่ครับก็คุยแบบไม่มีตัวตนเลยคุยแบบเ ป, เป็นผู้คุยไปเราไม่มีตัวตนคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะผู้รู้จะอยู่ภายใต้กฎของตายรักหรือไม่ครับไม่ผู้รู้ไม่มีกิดแก่เจ็บตาไม่มีไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตา คำถามต่อไปค่ะข้าพเจ้าพยายามเมตตาแล้วเจ้าค่ะพยายามคิดว่าอยากให้คนอื่นโชคดีมีความสุขแต่ยังรู้สึกโกรธคนอื่นอยู่อยากมีความเมตตาควรคิดอย่างไรดีเจ้าคะก็ซื้อขนมให้เขาไมปเลยงแต่คิดอย่างเดียวบางทีมันยังไม่มีกําลังพอโกรธคนไหนก็รีบไปซื้อของไปให้เขาเลยเนี่ยผมโกรธคุณผมอยากจะให้อภัยคุณอยากให้มันหายก็เลยซื้อขนมมาให้คุณกินไง จะได้คุณจะได้รู้ว่าผมไม่โกรธคุณนะเพราะบางทีเราคิดไปในใจกิเลสมันจะไม่ยอมแต่ถ้าเราไปแสดงอาการไปทำอะไรให้มันเกิดเกิดเป็นความเป็นจริงขึ้นมามันก็จะทำให้ความโกรธนั้นหายไปได้คำถามจากทางยูทู e ค่ะกาพระอาจารย์ค่ะ เวลาพระมาปฏิบัติกิจเช่นรับสังฆทานสวดศพหรือเจ้าภาพนำเงินใส่ซองถวายพระแต่ละองค์พระก็รับซองแต่ไม่ได้รับเงินขออภยัยค่ะแต่ไม่ได้จับเงินทราบการทำเช่นนี้เจ้าภาพจะได้บุญหรือไม่คะได้เพราะว่าเป็นธรรมเนียมหรือเป็นกฎของพระไม่ให้จับต้องเงินทองด้วยตนเองเงินทองที่ขาให้มาให้ฝากไว้กับลูกศิษย์คนที่ไว้ใจได้ แล้วเวลาต้องการใช้เงินทองก็เรียกจากรูปติดที่ฝากไว้ได้คนให้ก็ถือว่าให้กับพระโดยตรงอยู่แล้วลูกศิษย์เอาไปใช้เองไม่ได้นอกจากพระสงสารเมตตา ก, ก็แบ่งให้ใช้บ้างก็ได้แต่ต้องได้รับอนุ ญ, ญาตจากพระก่อนไม่ใช่เนื่องอยากจะทําก็ทําโดยพาระะการก็จะถือว่าเป็นการรักขโมยได้คํถาถามจากคุณนิดวิภาค่ะเราทําแท้งสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ ออก็ทำบุญอยู่ที่ไปให้ผู้ที่ร่งรับไปแล้วผู้ที่เราทำแท้นด้วยแล้วก็อย่าทำอีกต่อไปในภายภาคหน้าคำถามจากคุณสุรจิตค่ะเรียนถามพระอาจารย์ผู้รู้คือวิญญาณขันใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ผู้รู้คือดวงจิตดวงใจวิญญาณขันนี่อยู่ในผู้รู้อีกทีหนึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างจิตกับร่างกายผู้ วิญญาณขันนี้เป็นเหมือนกับสายที่เราเสียบหูฟังเนี่ยเราเสียบหูฟังเข้ากับมือถือโทรศัพท์เป็นเป็นเป็นสายเป็นตัวที่ส่งเสียงรับเสียงจากโทรศัพท์มือถืออีกทีนึงร่างกายของเรานี่ก็เป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือส่วนสายที่เราเสียบนี่ก็เป็นเหมือนวิญญาณขันส่วนเราก็เป็นเหมือนผู้รู้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ คำถามจากคุณพี่ตุ้มค่ะการใช้ประทัดหรือจุดประทัดมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธหรือไม่ครับไม่หรอกเป็นเรื่องของคนคนที่ขี้เหงาต้องอยู่เฉยๆเงียบ ๆ, ๆแล้วอยู <laughs> ่ไม่ได้ต้องส่งเสียงให้มันเด้งดัง <laughs> จะได้เล้ากวนชาวบ้านเขาด้วยคำถามจากคุณภูนสวัสดิ์ค่ะพระอาจารย์ครับ การบริกรรมเพื่อให้จิตสงบพุโทโธพุโทโธบริกรรมไปเรื่อยๆทีๆโดยไม่สนใจลมจะสัมผัสหรือจะสัมผัสที่ปลายจมูกหรือไม่เหมือนการดูลมใช่หรือเปล่าครับได้แทนกันได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเอามารวมกันแต่บางคนเขาชอบสองอย่างก็เอาทั้งพุททั้งลมด้วยก็ได้ไม่มีแล้วเจ้าค่ะหรอไม่มีแล้วเหรอ คุณแก้อมาพอดีกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะคือเคยได้ยินว่าให้อยู่กับปัจจุบนันแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราแพลนเกี่ยวกับเรื่องออการรักษาพยาบาลนะเจ้าคะ่ะว่าสมมติว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาในบ้านมีคนชลาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเจ็บปวดขึ้นมาเราแพลนไว้ก่อนว่าเราจะเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือจะเข้าโรงพยาบาลรัฐบาล ได้วางแผนได้วางแผนไว้ก่อนพอาวางแผนเะสร็จก็กลับมาปัจจุบันเนไม่ใช่ไปอยู่อนาคตทั้งวันทั้งคืน<ต>นี้แต่แต่ไม่ถือว่าคิดล่วงหน้าใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ต้องคิดล่วงหน้าพ่อยังต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นบินาบาตดีหรือไม่ดี <c oughs> คิดได้แต่ไม่ได้คิดแบบทั้งวันทั้งคืนเพราะยัง <c oughs> คิดเพื่อให้รู้ว่าจะต้องทําอะไรเ <c oughs> ตรียม <c oughs> จะได้เตรียมการได้ถูก S <S ไม่ไม่ใช่ว่าแบบมองโลกในแง่ารายอะไรไม่เกี่ยว<ช>ไม่เกี่ยว อ, อ, อันนี้เป็นเรื่องของการมองความจริงมองคอนแ่ความเจ็บความตายนี่เป็นเ<อ>รือร่องของการมองความจริงเพราะบางทีโยมแพลนไว้ก่อนว่าเออหามหมอคนนี้ถ้าเกิดต้องแอดมิอะไรจะได้ได้เตรียมการอันนี้ได้หมดโดนเขาว่าว่าโดนทีนีทีได้เราก็อย่าไปพูดกับเขาเลยเพราะคนบางคนมั น, น, มนไม่รู้เรื่องมันเป็นพวกคิดแบบ คิดไม่เป็นเขาบอกว่าปากเสียแบบเหมือนไ ป, ป, ไปแช่ ง, งเขาอะไรไปแช่งได้ไงล่ะคนมันเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เราก็อย่าไปบอกเขาก็แล้วกันแล้วก็วางแเรว่าคิดไปภายในใจของเราเตรียมกันของเราไว้ภายในใจของเราไปเพก็ธรรมชาติของคนนี้ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องที่เขาเขากลัวกันเขากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันเ้าเลยไม่ไม่อยากคิดไม่อยากจะฟังเรื่องเหล่านี้ใครพูดเขาก็จะทําให้ใจเขาฝ a l ใจเขาไม่สบายใจเห็นเราเรื่องแบบนี้เราอย่าไปคุยกับเขาถ้าเรารู้ว่าเป็นคนที่นับไม่ได้ก็อย่าไปพูดแต่เราก็เตรียมกาของเราได้แต่เราไม่ได้เตรียมกันตลอดเวลาใช่ไหมพอเราสรุปได้ข้อสรุปแล้วเราก็หยุดคิดกลับมาปัจจุบันท่านั้นเองส่วนใหญ่ให้อยู่ปัจจุบันเพราะถ้าอยู่ปัจจุบันแล้วมันจะได้หยุดความคิดได้ถ้ายังอยู่อดีตอยู่อนาคตอยู่มันก็ต้องคิด พออยู่ปัจจุบันแล้วก็ยังต้องหยุดมันอยู่ถ้าไม่หยุดมันก็ยังคิดในปัจจุบันได้อย่างมีพอเดิงกลับมาปัจจุบันแล้วก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันถ้ามันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจุดหมายคือต้องการให้ใจว่างเพราะความว่างคือความสุขของใจเรื่องอะไรอยู่ดีๆไปเดือดร้อนทําไมคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิด <c oughs> ก็ทุกข์คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ทุกข์ คิดไปทำไมแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรทั้งอย่างได้แต่ความทุกข์คำถามจากทางอินบล็อกค่ะ <c oughs> กับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหนูทำสมถะภาวนาโดยพุโทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าออกแต่จิตไม่ค่อยนิ่งพอจับลมหายใจเข้าออกได้ประมาณสิบครั้ง มีสมาธิเล็กน้อยจึงเริ่มพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายส่วนใหญ่มีสมาธิดีขึ้นและมีปิติน้ําตาไหลกาบเรียนถามพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งว่าจะทําอย่างไรให้จิตไม่ฟุ้งซ่านในช่วงสมถภาวนาเจ้าค่ะก็ต้องไม่คิดไม่พิจรารณาให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวหรือดมลมอย่างเดียวดีกว่าอย่าอยู่กับทั้งสองอย่างอยู่สองอย่างแล้วมันไม่มีวันที่จะเนื่งได้นะ อยู่อย่างได้อย่างหนึ่งดีกว่าพุโทโธก็พุโทโธไปเลยไม่ต้องสนใจลมถ้าดูลมก็ไม่ต้องสนใจพุโทโธดีกว่าแล้วเวลามันเริ่มสงบก็อย่าไปคิดพิจารณาพอคิดพิจารณามันก็ไม่สงบต่อเพราะมันคิดแล้วมันเริ่มคิดต่อแล้วงั้นต้องอย่าถึงแม้มันจะสงบถ้ามันยังคิดได้ก็อย่าเพิ่มให้มันคิดดูลมต่อไปพุโทโธต่อไปจนไปถึงจุดที่มันคิดไม่ได้พอคิดไม่ได้มันก็ไม่คิดเพราะมันคิดไม่ได้ เราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือสมาธินเนึ<ม>่งคือจุดที่เราไม่คิดแล้วเรามีแต่ความเบาความสบายความสุขข้อที่สองค่ะถ้าใช้วิธีพิจารณามากกว่าสมถาภาวนาจะมีข้อจะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรเจ้าค่ะข้อเสียเพราะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่จะไปทางวิปัสสนาเพราะจิตยังไม่มีกำลังพิจารณาไปเดี๋ยวก็กลายเป็นความพุ่งสร้างไปเปาเราต้องการทา สมัติให้จิตเข้าสู่จุดที่ไม่คิดให้ได้ก่อน ก, การาาร้องเรียนพ่อจันค่ะถามเกี่ยวกับตอนนี้คือที่ว่ากําลังทุกข์ใจเรื่องเนี้ยค่ะคือญาติพี่น้องเนี่ยเมายืมเงินไปเป็นจํานวนมากพอสมควรแต่พอถึงเวลาเขาไม่สามารถคืนให้เราได้แต่ว่าเงินก้อนนี้ยถามว่ามันสําคัญไหมกับตัวเราสำคัญค่ะแต่ว่าเราพยายามไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องเนี้ย ตอนนี้คือจะทํำยังไงดีคะใจหนึ่งก็คิดว่าไม่ใช่เป็นเงินยืมเ้าแค่เป็นเงินขอเขาหล่าวว่ายืมก็เพียงแต่เปลี่ยนคําว่าขอมาเป็นขคำว่ายืมเท่านั้นเองแต่ความจริงเขาขอก็เอาไปแล้วเขาไม่เอาคืนแล้วอืไอวเขาปากช้างแล้วคิดอย่างนี้ไม่เพราะตอนที่เขาเอาไปเขาก็รับปากเขาจะก็ต้องรับปากถ้าไม่รับปากเราจะให้เขาเลยแหมโง่กันทุกเราเอมายังมาเถียงอีก ไม่ยอมรับความโง่ของตัวเองกูนี่โง่ถูกเขาหลอกอเนขาขอไปเขาไม่ได้มายืมเขาเพียงแต่พูดว่าเขายืมแต่ความจริงเขาขอไปแล้วก็ไม่คืนแล้วให้คิดอย่างนี้เราจะได้สบายใจเออให้มันไปทําบุญทําทานไปก็ไ อ, อ้เขาปากช่างแล้วทํายังไงนั่นหนูจะได้ปล่อยวางเรื่องนี้นะค ะ, ะปล่อยวางเถอิด้วได้สบายใจแล้วถ้าเกิดเขามาคืนนะวก็คิดว่าเขามาทําบุญกับเราก็แล้วกัน แล้วเราจะมีความสุขเขาก็จะมีความสุข้เราไม่โกรธเขาเกลียดเขาถ้าเร่คิดว่าเป็นยืมเงินยืมมันก็อยากจะได้ทุกครั้งคิดมันก็จะโกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมาใช่เพราะมันต้องทวงกันแล้วมันจะเป็นเหมือนกับมโนกรรมว่าจีกรรมต่อกันต้องพูดเถียงกันใช่แต่ค่ว่าเขามาขอแล้วเราให้เขาทําบุญทําทานไปแล้วจบแล้วเราจะมีความสุขทันทีเลยเออคุได้ทําทานกับเขา ไม่หวังเอาเคืนนะมันใหญ่มากเลยนะค ะ, ะใหญ่เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละตายไปก็ออกไปไม่ได้อยู่ดีอถ้าเราอยู่ได้ยังอยู่ได้กินได้ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันนะถ้าไม่ได้ก็ต้องหาใหม่เราจะยอมรับว่าเราโง่กันแล้วกันใช่คะ่ะเราไปนี่จะ้จดจำไว้ว่าใครมายืงอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขายืงเขาขอหรือขอขอโมยหรือป ะ, ปอนนะป้นเพียงแต่เขามีโวหารหลอกเรา เราก็โง่เชื่อเขาไม่พวกเขาเป็นญาติพี่น้องเราไม่เป็นใครไม่สำคัญละ ง, งั้นไม่มีญาติพี่น้องค่ะพระาจารย์ขอบคุณครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะวันดีหมดเวลาพอดีขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิ